ครงพุทธการปรากทว่าท่านสนใจทางจิตมากกว่าด้านวัตถุคือมากจริงๆไม่ใช่มากธรรมดาเป็นนวอเป็นหลังจริงๆถือเป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติ พอตกมาสมัยทุกวันนี้เป็นบั้ด้านวัตถุกกงกางข้ามไปเลยเราจะเห็นได้ในที่ต่างๆแต่พ่ออย่างยิ่งตามมัดวาอารามมีแต่การก่อการสร้างราประดับเป็นความสวยงามก่อนั่นเป็นถือว่าเป็นกิจของระศาสนาจริงๆขึ้นมาซะแล้วทั้ำกิธการทําไม่สนใจในกิจเหล่านี้แต่สนใจในการ พุทปฏิบัติเพื่อความจัดกิเลสมากยิ่งกว่าทางด้านวัตถุการอยู่ด้วยกันก็อยู่ด้วยความสงบมบเงียกเฉพาะพระเราจะเห็นได้เวลาท่านสอนทางอยกก่กเพิ่มเรื่องความต้องัดอย่า ก, กับพระวินัย เวลาพระต้องการไม้ที่จะมาทำประโยชน์อะไรเล็กๆน้อยๆเ น, นี่ยให้โบกมือมองเห็นอนุปัมบันจะเป็นเนินก็ตามเป็นฆร า, าดหนญาดยมผู้ใดก็าตามที่มีอยู่ในวันนั้นให้โบกมือให้คุณนั่นมาแล้วก็บอกว่าเราจะต้องการนี่นน ไม่ให้เรียกไม่ให้ตะโกนเรียกแสดงว่าท่านต้องการความสงบที่ท่านอยู่ด้วยความสงัดตลอดเวลาสถานที่ทําความภาพพักเปลี่ยนขท่านแต่เป็นที่น่าดูแต่เรากลับเป็นสถานที่อยู่เป็นที่น่าดูเป็นเ่วงของโลกแต่สถานที่ทําความเปลี่ยนไม่มี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 คามฟันหันแหลกกับกิเลสนั้นเป็นที่เหมาะสมอย่างยิ่งห น, นัเวลาท่านสนธนาธรรมะกันก็สนธนาตั้งแต่เรื่องอัดเรื่องทมเรื่องเหตุเรื่องผลเพื่อการแก้กิเลสสถานที่ก็แสดงถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ทำความเพียรที่เดินโยมสมาธิภาวนาทั้งนั้นเรื่องการบ้านการเมืองไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเลย โกงมันข้ามโกงข้ามหมดทุก อ, อย่างทุกวันนี้เรื่องธรรมะไม่ค่อมีมีเรื่องการบ้านการหมืองยุ่งไปหมดนั่งทุมนุมกันที่ตรงไหนมีแต่เรื่องเดียวกันห <c oughs> ากว่าจะพิจารณาจะปรองธรมรมะต่างเรืองมันก็ควได้ปรองตลอดเวลา <c oughs> มีเรื่องของกิเลสมันจะหมดสิ้งไปได้อย่างไรศา <c oughs> สนาก็เลยกลายเป็นศัพท์แต่ว่าศาสนาทําอะไรเป็นศัพท์แต่ว่าเป็นพิธีเลยพิธีไปหมด นี่พิธีก็เลยออกหน้าออกตาเลยเป็นถือเป็นสาระแก่นสารเป็นเมื่อเป็นหนังขึ้นมาความจริงก็เลยกลายเป็นกระพี้เป็นอะไรไปถุดท้ายปรมาตําหนิาศาสนาบัานหมดเก็ดหมดสมัยนักปุ่นนทานไม่มีอย่างนั้นมีอยู่เยอะถ้าจะมาตมิจต้วบ้างก็กลัวจะกระเทือนกิเลสต้องประมาติมิจฉาศน์นาซึ่งเป็นการส่ ง, สงอเสริมวิทยาได้ดี นนี้ย้อนเข้ามาถึงเราผู้ปฏิบัติวาระของจิตที่คิดไปทางที่สังสมวิริยนั้นมีมากน้อยเพียงไรแวาระของจิตที่คิดเพื่ออาจเพื่อทำอั น, นี้เราควรจะนํามาทดสอบกันเพราะการกล่าวทั้งนี้ไม่ได้กล่าวเพื่อตําหนิจีเกียนผู้หนึ่งผู้ใดแต่เพื่อเรื่องของธรรมที่จะสงเคราะห์เข้ามาสู่ตัวของเราผู้มุ่งหวังต่อธรรมอยู่แล้วและกําลังฟังอัดฟังธรรมอยู่เวลานี้ ปูดกันดาดดึงตุกแข็งตุกหอนหมอกปกแดงตรงนั้นปกของมนุษย์มนุษย์เป็นอย่างนี้อันนั้นก็เป็นลมหนองสําหรับโลกเป็นอย่างนั้นจะให้ชื่อว่าแดงหรือไม่แดงเมื่อทิ่เลือทันหาอาสาบามันพอกคุณจิตใจขึ้นมากๆอยู่ที่ไหนมันก็ร้องเหมือนกันคนนั้นแหละเยียดเยือนคนมากยิ่งกว่าอันใดที่จะมาเยียดเยียนทำลายนอกจากคนเหยียดเยียนกันเอารัดเอาเปรียบกันเพราะมนุษย์ ที่ฉลาดมันทำได้ทุกอย่างเห็นศาสนามีความเห็นแก่ใจแก่กันและกันด้วยเหตุด้วยผลเป็นต้นไม่มีอยู่ภายในจิตใจแล้วไม่ว่าจะให้ชื่อให้นามรัธิหรือ ก, การกระทำนั้นๆว่าเป็นอะไรก็ตามมันก็คือความเบิดร้อนั่นแหละที่เกิดขึ้นจากการกระทำ จิตใจของเราเมื่อได้คิดไปในทางที่เป็นเครื่องก่อกวนวุ่นวาตัวเองมันก็ทํานองเดียวกันนั้นถ้าคิดมาทางเหตุทางผลทางอัดทางทรมมันก็มีการยับยัง้ทงทั้งทั้งตัวเองแล้วมีการแบ่งสู้แบ่งรับหรือมีการต่อสู้ในสิ่งที่ตนเห็นว่าเป็นค่าสิจ่จแใจจิตใจก็มีความเจริญขึ้นได้เมื่อมีความรักษากันอยู่ ใจเปรียมเหมือนกับผ้าขาวไม่ยิ่มต่อการอยากรู้อยากเห็นอยากได้ยินได้ฟังอยากรู้ทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ไม่มีความอิอ่มพอทั้งหลับใจไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่มันมีความอยากรู้อยากเห็นอยู่เป็นประจำความอยากรู้อยากเห็นสิ่ ง, งต่างนั้นกับสิ่งที่เข้ามาสัมผัสเกี่ยวข้องภายนาในจิตใจมันก็เหมือนอานัางสีมาย้อมมาย้อมผ้าขาว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 แล้วพอเข้ามาย้อมภายในจิตใ จ, ใจใกลายเป็นจิตที่เศ้าหมองไปไปด้วยสิ่งต่างๆที่ไม่ดีทั้งหลายท่านกล่าวไว้ในธรรมว่าด้วยก่อนทุกสุก ท, กทั้งหลายจิตเดิมนั้นผ่องใสทันว่าแต่อา ศ, าศาัยกิเลสที่จอนเข้ามาค้าข้าวกับใจใจยิง เป็นไปต่างๆตามอารมณ์หรือตามกลิ่นที่มาเกี่ยวข้องนั้นะท่านไม่ได้บอกว่าเดิมกิเดิมแท้บริสุทธิ์ท่านบอกว่าจิตเดิมแท้บริผ่องใสว่านั่นประภัฒสรา ม, มีดังจิตตดังที่เขาเอาน่ะประภัฒสร้างเบอกว่าประภัฒสอนคือผ่องใสไม่ละหมายถึงไม่ได้บอกว่าบริสุทธิ์ถ้าว่าบริสุทธิ์จริงๆแล้วจะมาเกิดไม่ได้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 พอเติบัตขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างก็พร้อมกันขึ้นมาตาหูจมูกเลี้ยกายก็ใช้ได้เป็นเช่งนั้นแหละต า, ตาดูหูก็ฟังเลยกิเลก็เข้ามาเลยทีนี้ก็เลยไม่ทราบว่าอะไรเป็นอะไรหมดทั้งตัวรวนแล้วแต่เป็นเรื่องของกิเลสตัณหาอาสวะทั้งหม ด, หมดคิดตรงในแง่ ใ, ใดมุมใดเวลาใดอดีตหรืออนาคตล้นแล้งแต่การกอบอ่วยกิเลส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 มีความสงบหรือมีความป่องสใยไปได้มากน้อยเพียงไรตามแต่เหตุคือการกระทําของเราแต่เมื่อทอําอยู่มาหยุดมาถอยมีการชนะท่าสางกันอยู่มีการบำรุงรักษาอยู่เสมอแล้วอจิต ก, ก็ค่อยจเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆแม้แต่ในปัจจุบันของเรานี่จะเป็นชั่วระยะเดือนก็ตามระยะปีก็ตามด้วยการระมัดระวังรักษ า, าจิตคือโดยสม่ําเสมเอเราจะทราบเรื่องความเคลื่อนไหวอาการของจิต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 ความสงบแต่ก่อนเป็นอย่างนั้นบันนี้กลายมาเป็นอย่างนี้นะฐานข้องกิดแต่ก่อนมีความหยากแม้จะมีความสงบหรือเป็นฐานกิดได้แต่ฐานนั้นกับฐานข้องกิดอันนี้มีความละเอียดต่างกันถนะ้าพูดถึงด้านปัญญาแต่ก่อนพิจารณาก็รู้สึกคุกคักคุกขักขนะไะไหนคิดอะไรก็ไม่ค่อยได้เหตุได้ผลมี่โดยความขี้เกียจนะขั้นต่อมาก็ค่อยได้เหตุได้ผลขึ้นไปโดยลๆๆๆําดับลำดับต่อมาก็คล่องแคล่วเนี่ยผิดกันมาเป็นเรื่อย การเคลื่อนไหวของสติของปัญญาที่ดําเนินอยู่โดยสม่ําเสมอนั้นก็คือการชํานะสักฟอกความหมุนหมองของพิเดศซึ่งมีอยู่ภายในใจิตใจค่อยๆหมดไปหมดไปจิตใ จ, จก็ค่อยแสดงความปร่งใสขึ้นมาเรื่อยๆนันี่แหละความปรากฏว่ า, าศาสนาเสื่อมหรือราศาสนาเจริญจะปรากฏที่ใจของผู้ปฏิบัติาศาสนานั่นแหละไม่ใช่จะปรากฏที่คัมภีใบลานที่ตั้งเขียนมากี่คมภีร์ก็มีอยู่อย่างนั้น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 แม้ค um like no like an ํานึงถึงความผิดถูกทั่วดีศาสนาเสื่อมไปอย่างนั้นการปฏิบัติส่งเสริมทั้งจิตใจของเรารักษาจิตใจของเราโดยสม่ําเสมอก็มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาโดยลาดับลําดับนี่แหละศาสนาเจริญคือเจริญที่ใจของเราเหตุก็เจริญได้จากการปฏิบัติโดยสม่ําเสมอนี่เกี่ยวจะเจริญมาเรื่อยๆผลสิ่งที่เราจะพึงได้รับก็มีความสงบร่มเย็นไปโดยลําดับปัญญาเขาค่อย แตกแขนงออกไปเรื่อยๆขาดกลางจิตใจของตนให้มีความปรองใสให้มีความแก้วกล้าสามารถขึ้นไปโดยลๆๆําดับลํำดับเนี่ยะะเจริญขึ้นเลยๆภายใจิตใจนี่แหละเรียกว่าศาสนาเจริญศาสนาเจริญกับมรรผลจเจริญก็อยู่ในอันเดียวกันขึ้นอยู่ในจิตนั่นแหละเวลานี้เรามาบำรุงศาสนาคือบํารุงจิตใจของเราให้มีความจเจริญทันกับเหตุการณ์ต่างๆที่เคยเป็นข้าสึกต่อจิตใจ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 ถาว่าจิตไม่มีความสงบเลยนี่เราจะพิจารณาทางด้านปัญญากลายเป็นสัญญาวุ่นวายแต่หมดหาเหตุหาผลไม่ได้นอกจากจนกรอกเป็นมุมจริงๆจะนําปัญญานั้นมาใช้เพื่ออบรมให้เป็นสมาธินั้นได้นะเวลาจําเป็นจริงเราก็ถือเอาทุกขเวทนาเป็นตน้นหรือจนกรอบด้วยเหตุอนนันใดแล้วถือเอาความจนถือเหตุที่จนกรอกนั้นถือสิ่งนั้นเป็นเป้าหมายหรืเป็นตัวเหตุสําคัญที่จะต้องพิจารณาให้ทันกับเหตุการณ์นั้นนิยตเกิดวความจเจริญตลาด ขึ้นมาได้จิตก็ยังเข้าถึงจุดหมายที่ต้องการได้แต่ธรรมาดาจิตยิ่งไม่ค่อยมีความสงบภายในจิตใจเลยนี้เราจะพิจารณาทางด้านปัญญาไม่ค่อยจะได้ผลเท่าที่ควรพอพิจารณาไปที่แรกก็ก็ดูเหมือนเป็นปัญญาท่านต่อไปก็ต่อไปต่อไ ป, อไ ป, อไปก็ค่อยทะเลทลายทะเลทเลายไปเลยกลายเป็นท่าอารมณ์ไปเรื่อยๆเหมือนธรรมดาที่ไม่เคยพิจารณาเลย นั่นท่านยังสอนให้จิตมีความสรงอกสมาธิอบรมปัญญาตามหลักธรรมท่างกล่าวไว้ว่าสมาธิปริภาวิกาปัญญามาพัพพลามะฮ า, านสร้างู้ติภานสร้างสร้างสมาปัญญาที่สมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอายุสูงมากปัญญาปริภาวิาตังจิตตังสัมมาเดวะอสเวหิมุจะติจิตที่ปัญญาอบรมแล้วย่อมบุดพ้นจากที่เดชทั้งกุลงโดยชอบนาน เนี่ที่ปัญญาจะ ก, ก้าวเดินได้โดยความสะดวกสบายก็คือมีสมาธิความอุ่นหนาฟ้าข้างอยู่ภายใจิตใจถ้าเราจะเทียบถึงธาตุขันธ์ก็เถิดธาตุขันธ์ก็ได้รับทานอาหารมาพอสมคงพวนแล้พักผ่อนนอนหลับให้มีความสะดวกสบายจะทําหน้าที่การงานอะไรก็ได้จิตใจไม่เดือดร้อนวุ่นวายเพราะความหิหวโหยเป็นเหตุนี่จิตใจที่มีความสงบย่อมไม่หิหวหยต่ออารมณ์ทั้งหลาย เหมือนจิตใจที่ธรรมดาซึ่งไม่ได้มีความสงบเลยเมื่อกิตใจสงบเราจะพาพิจารณาแยกแยะเหตุเรื่องอะไรก็ตามมันก็เป็นเหตุเป็นผลไปโดยลำบดับรรมดาตามหน้าที่การงานที่พาให้ทาปัญญาก็ทาหน้าที่ไปตามงานนั้นๆโดยไม่ต้องทะเลทลายไปไหนปัญญาจึงเป็นสิ่งสำคัญและเมื่อมีสมาธิอบรมแล้ว พิจนาคล่องแคลวไปโดยลําดับมีนเป็นขั้นหนึ่งในการที่จะกล้าออกทำปัญญาแต่กรณีพิเศษที่ว่าปัญญาลงสมาธินั่นก็เคยได้อธิบายไว้แล้วมันถึงคราวจนตอกเป็นมุมเข้าจริงปัญญาจะหมุนตัวไปทันทีทันใดและได้เห็นเห็นผลประจักษ์คือจิตจะแนวลงไปโดยลําดับ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 ให้เห็นทัดเจนคือคลื่คลายออกดูเห็นประจักษ์ครั้งนี้ครั้งนั้นหลายครั้งหลายหนก็ค่อยเจนมแจ้งขึ้นไปเองเช่นเดียวกับเราท่องหนังสือท่องหนึ่งสองหนม่งจำไม่ได้ท่องหลายครั้งหลายหนก็จำได้เองนี่หมายถึงความจำท่องหลายหลายหนมันยังจำได้ปัญญาความพิดนิพิจนาพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าค่อยเข้าใจคราวนี้เข้าใจคราวหน้าเข้าใจหลายครั้งแลายคราวไปมันก็แนบสนิทถึงใจซึ่งถึงใจต่อยได้เลยนาน น, นึกว่าพายโตก็ฮุ่ยก็โตทําให้มากเจริญให้มากไม่ว่าสิ่งใดเจริญจนกระทั่งถึงถึงสีดถึงแดนหมายถึงความเข้าใจจริงๆแล้วมันปล่อยของมันเองนะมาเพียงแต่ว่าพิจารณาแล้วนี่เราเข้าใจแล้วครั้งนั้นเราเข้าใจแล้วทั้งนี้เราไม่พิจารณาแต่นั่นก็ไม่ได้จะพิจารณ า, ากี่ครั้งกูงก็ตามความเข้าใจนั่นเป็นบทเป็นบาตรฐาน สืบเนื่องกันต่อเนื่องเป็นลําดักหนักจกนกระทั่งถึงความเข้าใจเต็มภูมิเมื่อเข้าใจเต็มภูมิแล้วก็ปล่อยเองอเรียกว่าพอถ้ายังไม่พอแล้วต้องพิจารณาจนพอเมื่อพอแล้วจะให้พิจารณาอีกก็ไม่ยอมพิจารณะเพราะพอแล้วนี่จะพิจารณาอะไรมันรู้เองเส้นเดียวกับรับทานอีกเนี่ยแต่บางครั้งไม่รับทานยังไงมันก็รับไม่ได้ก็มันอิ่มแล้วจะรับทานยัไงอีกงาน ปัญญาเป็นสาคัญเพื่อถอดถอนกิเลสเป็นวักเป็นตอนไปได้โดยลำดับเห็นประจักษ์ได้ด้วยปัญญาสมาธิเป็นเครื่องตลอง่อมกิเลสเข้ามาสู่จุดหรือตล่อมจิตเข้ามาให้สู่ความสงบเพื่อเพิ่มพลังแห่งการพัจาณาทางด้านปัญญาพอปัญญาก้าวเดิน ตามขันต่างๆหรือข้าเดินตามอริยสัจก็ได้หรืตามขันอะไรก็แล้วแต่จะพูดเผลนไปเพลินไ ป, ป, นไปถอดถอนกันได้เข้าใจกันได้เป็นลําดับลำดานั้นเป็นปัญญาขั้นเธลินผลรายได้ปลาปลากฏทําไมจะไม่เพลินในการงานต้องเพลินไม่ว่างานนอกงานในเมื่อทําลงไปเห็นผลประจักษ์โดยลำํำดับลํำดับก็ต้องมีความพยันหมั่นเพียรขึ้น ทำอะไรๆไม่ได้มีแต่ความขี้เกียจและไม่อยากทําำยิตที่ยังไม่เห็นผลในการพิจารณาก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันต้องได้บังคับบัญชาทุกยากลําบากเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าขนาดไหนก็ต้องบังคับบัญชาให้ทำเมื่อเห็นผลขึ้นมาครั้งหนึ่งสองครั้งแล้วก็จะค่อยมีแต่จิตแต่ใจไปเองต่อไปเมื่อผลสืบเนื่องเป็นลําดับประจักษ์อยู่กับใจโดยไม่ละกันแล้วเรื่องความขยันหมั่นเพียรไม่ต้องบอกเป็นขึ้นมาเอง รถอันใดที่จะยิ่งกว่ารถแห่งธรรมนี้ไม่มีในโลกกระทำนิรันดทันจังหวารถแห่งธรรมสำนะถึงรถทั้งปวงแต่ว่าทั้งปวงก็หมดพอได้ปรากฏขึ้นที่ใจแล้วก็ทำให้ดูดดึ่มซึมซาบหรือสาบซึง้งมีความขายันหมั่นเพียรที่จะเพิ่มรถขึ้นไปโดยลำดับด เพิ่มความเห็นความรู้ให้ซึ้งเข้าไปในธรรมทั้งหลายโดยลํำดับลํำดับนี่แหละความขายันหมั่นเพียรเป็นมาเองอย่างนีน้ไม่งั้นจะเรียกว่าเป็นมหาสติมหาปัญญาไม่ได้ทีแรกก็ล้มลุกคุกครานไปตั้งได้บ้างไม่ได้บ้างล้มไปบ้างตั้งได้บ้างแพ้บ้างชนะบ้างเอากันไปถูไถกันไปด้วยความเพียรของเราต่อมาความชนะก็มีมากขึ้นมากขึ้นผลสุดท้ายคำว่าแพ้ ไม่มีเลยอให้ตายซะดีกว่าถ้าจะแพร่กิเลสตัวนั้นตัวนี้ตัวใดก็าตามข อ, อให้ตายซะดีกว่าที่จะมาแพ้่น่ะถึงขั้นนี้แล้วเป็นไม่ยอมถอยมีท่านอย่างปัญญาเต็มมรดหรือมหาสติมหาปัญญาออกมาจากปัญญาที่ล้มลุกคลุกคลานนั่นแหละแต่เพราะความบำบุงความส่งเสริมฝึกหัดอยู่เสมอก็ต้องมีความคล่องแคล่วแจ้งกล้าขึ้นเป็นธรรมดาเรือพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันนี้ละเอียด ก็เพราะปัญญานี่แหละหลงก็เพราะความไม่พิจารณาเวลารู้ก็รู้สิ่งที่มีอยู่นี่นะไม่รู้ที่ไหนหลงก็หลงสิ่งที่มีอยู่เวลารู้มันรู้ซึ้งอ๋อมีอยู่กับตัวทําไมแต่ก่อนไม่รู้กันทําไมถึงมารู้เดี๋ยวนี้เนี <N> ่ยไม่ใช่สิ่งเหล่านี้เพิ่งจะมาปรากฏในขณะนี้เท่านั้นมีอยู่ตั้งแต่ดั้งเดิมทําไมความรู้ไปที่ไหนแต่ก่อนถึงไม่เห็นไม่รู้ทําไมเพิ่งมารู้เดี๋ยวนี้ทั้งๆที่สิ่งนี้มีอยู่มาตั้งมีอยู่แต่วันเกิดเนี่ยมันเป็นโทษของตัวเอง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 ยกไม่ขึ้นระวังหน่อยยกขึ้นสู่ใจลับมันไม่ขึ้นอันนี้จังทุกขังหน้าตามันปีนเตียวอันนี้จังทุกของหน้าตาคือกวามเป็นนั่นไปเสี ย, ยเดียวมันหนักมันหนาพอปัญญาสอดแทรกเข้าไปโดยลําดับดับทะลุไปหมดพอทะลุขันห้าแล้วทะลุหมดทั้งโลกทะลุขันห้าแล้วยังมาแล้วทะลุจิตทะลุอวิชชาที่มีภายใจิตอีกทีนี้โล่งไปหมดไม่มีอะไร เอกแหะงันก็มีติดอยู่ภายในตัวเองนี่เท่านั้นตัวเองติดตัวเองตัวเองบังตัวเองความโง่บังความรู้ความฉลาดแต่ว่าอะไรอวิชชาบางังมิจฉาที่เดชบงังธรรมพอใช้ปัญญาพิจารณาค้นคว้าเข้าไปกุก ค, ค้นเข้าไปกุดค้นเข้าไปาไปไเมฆหมอกทั้งหลายที่มันปิดเมธิติอยู่ภายในจิตใจแล้วค่อยเบิกกว้างออกไปขยายตัวออกไปขยายตัวออกไปก็แทงทะลุไปหม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 สู่ความจริงคืออันนี้ต่างทุกข์ของตาล้นล้วนด้วยความซึ้งภายในจิตใจแล้วค่าศึกก็ไม่มีหมดค่าศึกในคันนี้เอาเข้าไปอยู่ในที่จิตที่เหลียดตัณหาสภะวะมีมที่หลบซ่อนจะไปอยู่ในรูปในเวทนาสัญญาสังขารมี ญ, ญาณก็ถกถูกตีต้นด้วยสติปัญญาไปวิ่งเข้าไปสู่จิตอ่าตีต้นเข้าไปสู่จิตอีกเอาให้แหล่ไปตามๆกันหมดจิตจะศูนย์ก็ให้ศูญไม่มีความเสียดายเลยว่าเมื่อ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 เป็นธรรมโมทแท้เป็นสังโฆแท้พุทธธรรมสังฆะเป็นอันเดียวกันในขณะนั้นอาการตามอาการทานาพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์นั้นพูดตามหลักสมมุติที่โลกมีสมมุติให้ก็แยกประเภทเออกไปพระพุทธเจ้าคือศาสตรดาที่ทรงสั่งสอนโลกโดยอาศัยพระธาตุพระขันอะไรอยแบบนี้พระสกุลกายนี่ประกาศสอนโลกอันนี้เราคิดว่าพุทธะนี่เรือนร่างของพุทธะคือสกุลกายธรรมะก็ได้แจง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 นั่นไม่มีมีแต่ธรรมล้วนนภายในจิตที่สว่างสวหมดสมมุต <c oughs> มิว่าอดีตอนาคตการสถานที่ใดๆทั้งหมดไม่มีความหมายสำหรับจิตตรงนั้นนั่นแลคือจิตที่พ้นจากสิ่งกดท่วงบรรดาสมมุติน้อยใหญ่ไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจนี่คือผลแห่งการรักษา <c oughs> การปฏิบัติจิตใจบำรุงจิตใจโดย ส, ส ม, ม่าเสมอยาก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 จึงต้องอาศัยการซักพ่อเพื่อการฝืกปฏิบัติการได้ยินในฝั่งจนกระทั่งถึงช่วงตัวเองได้เต็มความสามารถบรรลุถึงความเต็มภูมิแล้วมันก็เหมือนกันหมดก <c oughs> ารแสดงธรรมเป็นปสมควรขอุติอย่างท่าน